เออในชีวิตจริงๆของพวกเราเนี่ยตอนนี้จุดหมายจริงๆที่ที่เราตั้งหลักของชีวิตเขาไว้เนี่ยมันดำเนินยังไงเคยพูดไว้ใช่ไหมที่บอกว่าตอนที่ยืนคุยกันอยู่เราก็พูดถึงในเรื่องคาว่าไอ้อย่างที่เรามาเกี่ยวข้องกันเนี่ย ในฐานะอย่างยยยมโหนก็มีภรรยามีลูกยดวมีก็มีลูกเตตระนี่เ น, นี่ยนะนินก็มีลูกอย่างนี้ที่บอกว่าลูกชั่วคราวภรรยาชั่วคราวสามีชั่วคราวเพื่อนชั่วคราวเราเข้าใจคํานี้ไหมจริงมันไม่ใช่เท้าวอนนะมันชั่วคราวใช่ไหมแต่พวกเรามีมีของที่เท้าวร อ, อยู่ก็คือ สุดจริตกรรมและทุตจริตกรรมไอตัวสุดจริตกรรมและทุตจริตกรรมเนี่ยมันจะตามถ้าสุดจริตกรรมก็ตามส่งเสริมทุกอัถภาพที่เกิดแต่ถ้าทุกจริตกรรมมันก็ตามเบียดเบียนทุกอัถภาพที่เกิดแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่เคยฉุกคิดกันในเรื่องนี้นะเรานึกว่าจะ เป็นลูกถาวรเป็นพ่อถาวรเป็นแม่ถาวรเป็นภรรยาถาวรเป็นใช่ไหมเป็นเพื่อนได้จริงชั่วคราวคําว่าชั่วคราวเนี่ยบางครั้งยังไม่ทันตายเลยมันจากกันแล้วบางครั้งเราอาจจะจากทรัพย์ก่อนนี่นะจากบุตรจากภรรยาจากสามีจากพ่อจากมันจากกันก่อนได้จริงๆจริงบางทียังไม่ทันตายลมหยายใจยังไม่ดันขาดเลยนี่มันชั่วคราวแบบนี้ แต่สุจริตกรรมและทุตจริตกรรมเนี่ยไม่ใช่ชั่วคราวเลยมันตามเราอยู่ตลอดเราเคยคิดข้อ น, นี้กันบ้างไหมในของชั่วคราวกับของถาวรที่มันตามตราบใดกระแสะชีวิตเรายังไม่พ้นทุกเนี่ยสุดจริตกรรมทุตจริตกรรมมันตามเราตลอดเลยอันนี้เขาเรียกว่าสุดจริตกรรมก็เป็นสามีถาวรเป็นภรรยาถาวรเป็นลูกถาวรเป็นพ่อถาวรเป็นแม่ถาวร ถ้าโทษเจริญกรรมก็เป็นสามีถาวรเป็นพ่อสาวัเป็นภรรยาเป็นลูกถาวรมันก็ตามเบียดเบียนไปในทุกอัตภาพที่เกิดแต่ที่เราไม่เนี่ยเหมือนวิวกับย้อมโนงกับย้อมแรมเนี่ยวิวก็เป็นลูกชั่วขาวใช่ไหมย้อมโนงยอมแรมก็เป็นพ่อเป็นแม่ของวิวชั่วขาวแค่ลมให้ใจขาดถ้าลมให้ใจขาดปุ๊บเนี่ยความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นเป็นลูกเป็นแม่กันหมด หนูใจลมหายใจขาดก่อนก็หมดความเป็นลูกหมดแล้วกระไดเดทักเอาว่าเออเนี่ยมีรูปถ่ายวันนี้ลูกแต่หมดแล้วฉะนั้นนับกันเอาลมหายใจ เ, ยเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งวัดแต่สุตจริตกรรมและทุติริตกรรมเนี่ยจะเป็นพ่อของหนูถาอนตามส่งเสริมตามเกื้อหนุน แต่ถ้าได้พ่อได้แม่ไม่ดีเป็นทุติยเดกรร ม, มก็ตามเบียดเบียนกระแสะชีวิตหนูทุกอัตภาพที่เกิด น, นี่เป็นอย่างเนี้ยแต่เราลืมคิดพอคิดอย่างนี้มันก็มันก็ใจหายเหมือนกันนะมันรู้สึกเศร้าๆเห็นมันเศร้ า, าๆเหมือนกันแนะวเออทําไมเราเจออะไรเนะี่ยเราเจอกับอะไรกันแน่เนี่ยเข้าใจคํานี้ไหมแต่เรามักจะคิดแย้งว่าไม่จริงคิดไปเหอะคิดแยง้งว่าไม่จริงไม่ใช่ ไม่ใช่เท้าไม่ใช่ชั่วคราวหรอกเท้าวอลจะขอเกิดเป็นลูกของแม่ทุกพักทุกชาติไปเคยคิดอย่างนั้นไหมหนูเคยคิดงี้ไหมฮะเคยคิดหรือเปล่าเออเนี่ยแหละหนูก็คิดอย่างงั้นแหละทีนี้คิดแล้วเนี่ยหนูจะทําได้หรือเปล่าต้องรู้รู้ไหมรู้วิธีไหมการที่จะเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยากันเนี่ยต้องทํำยังไงมันต้องรู้ถ้าไม่รู้ห้ามขยัน ก่อนไม่รู้ถ้ารู้แล้วขยันจะทําได้แล้วไปได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้นั้นจริงๆนะอกรณีอย่างเนี้ยพอพูดไปแล้วเราก็จะไอความรู้สึกเราบางทีก็ไม่ค่อยชอบใจหรอกใช่ไหมไอพระมาพูดอะไรนี่ <c oughs> แต่ความจริงมันคือความจริงนะเนี่ยความจริงก็คือความจริงจริงๆเราก็อยากจะอ ย, อยู่มันนานที่สุดนะจริงไหมโยมหนู เราอย่างเหมือนยอมดงอยากให้แม่อยู่ น, น, นานๆแต่ทําไมอยู่ได้แค่นี้ยันก็อยากให้ยอมพ่ออยู่นานก็อยู่ได้แค่นี้ยยื้อไม่อยู่พยายามทุกอย่างนั่นแหละสร้างบ้านให้สร้างห้องให้ทําอะไรให้ทุกอย่างแป๊บเดียวไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ย ว, เ, ยวเราไม่อยากพ่อพ่อก็ต้องจากเราอีก น, นั่นคือความจริงเพราะชั่วคราวจริงๆต้องยอมรับของชั่วคราวเนี้เรา เวลาเราเกี่ยวข้องกับของชั่วคราวเนี่ยถ้านึกบอกว่าเราได้ทําต่อกันเต็มที่หรือยังทําให้สมบูรณ์ทําให้ดีที่สุดมันจะได้ไม่ไม่เออทาไมเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทาต่อกันให้ดีแล้วปฏิบัติต่อกันให้เต็มที่สิอยากจะทําอะไรที่มันดีที่สุดเนี่ยชนิดที่ว่า ทำแล้วพร้อมตายได้อยากจะทําอะไรให้พ่ออยากจะทําอะไรให้ภรรยาอยากจะทําอะไรให้สามีอยากจะทําอะไรให้ลูกทําให้เต็มที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนที่พุณจะทำต่อกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยทําให้เต็มที่เลยเต็มศักยภาพเต็มความสามารถทําได้กุศลทําได้คุณความดีทําให้เต็มที่ชนิดที่ว่าเดินถ้าเราหลับตาแล้วถ้าไม่ตื่นเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่เสียดาย หรือถ้าเขาจากเราไปวันนี้เราจะไม่เสียดายเขาเลยเพราะเราได้ทําเต็มที่ในฐานะความเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นเพื่อนที่เราพึงกระทําต่อกันเราทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเชื่อมั่นทําด้วยเมตตาคือเราเดินกุศลต่อกันได้ดีจริงๆไม่ใช่ว่าย่างสามขุมใส่กันคําใหญ่เข้าใหญ่ว่าย่างสามขุมก็คือไม่ได้ความสามารถที่จะปฏิบัติต่อกันมีตั้งเยอะแยะแต่ไม่ทํา กักไว้ไม่ไม่ทําเต็มที่ต่อกันพอจากปุ๊บไปแล้วหรือว่าหมดโอกาสไม่ได้ทําต่อกันงั้นมานั่งเสียดายว่าเออเราน่าจะทําตรงนั้นให้เต็มที่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่ากรร ม, มาพันธุกรร ม, มาโยนี่เห็นไหมกรร ม, มาทายาโทเป็นต้นกรร ม, มาปฏิกเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ี่ต้องเข้าใจนะเราไม่ใช่อันนี้แปลว่าถาวรนะเนี่ยแน่นอนนะเนี่ยเราคิกว่าสามีที่ถาวรคือสุดเจริญกรรมหรือทุจริญกรรมภรรยาที่ถาวรคือสุดเจริญกรรมหรือทุกจริญกรรมลูกที่ถาวรคือสุดเจริญกรรมหรือทุกเจริญกรรมพ่อแม่ที่ถาวรคือสุดจริญกรรมหรือทุจริญกรรมถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะชัดเราจะได้ปฏิ บ, ตบัติต่อ สามีชั่วคราวภรรยาชั่วคราวลูกชั่วคราวคำว่าชั่วคราวในที่นี้ไม่ใช่วันเดียวเนืแต่เพียงว่าที่เราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยชั่วคราวทีนี้เราปฏิบัติต่อกันที่มันเต็มที่ในการที่ทําเจริญกุศลต่อกันให้เต็มที่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทําให้เต็มที่ถึงวันสมมุติจะจจากหรือคนใดคนหนึ่งต้องจากไปปุ๊บนี่อีกคนหนึ่งที่อยู่พอพิจารณาปุ๊บ รู้สึกชื่นใจว่าโอ้เนี่ยกี่วันที่เราอยู่กับคนคนนี้มาอยู่กับลูกมาอยู่กับสามีมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับเพื่อนมาเนี่ยกี่วันนะ น, นั่งนับระลึกโอ้เราทําเต็มที่ไหยจารีศีลเต็มที่เกื้อนหนุนเต็มที่แนะนํากันเต็มที่ชักนําในการทําสิ่งที่ดีงามเต็มที่เตือนกันในความไม่ประมาทเต็มที่เมตตาอยู่ในใจผลักดันออกมาเป็นสังขาวัตถุได้ตอนนั้นทานคือการให้ ให้ด้วยเมตตาแล้วก็ฝึกต่อกันให้ด้วยกรุณาแล้วก็ฝึกต่อการเต็มที่ให้ด้วยมุทิตาแล้วก็ฝึกเต็มที่พูดต่อกันด้วยเมตตาพูดต่อการด้วยกรุณาพูดต่อการด้วยมุทิตาทำประโยชน์ร่วมกันทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยเมตตากรุณามุทิตาเอาตอนเองเข้าไปสมานกันเสมอในสุขเสมอในทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันแก้ไขจัดแจงปัญหาร่วมกันในการที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเนี่ยทำกันเต็มที่เลย โอ้พอเห็นตรงนี้แล้วมันมันชื่นใจว่าโอ้เราได้ได้ได้เดินกุศลเห็นไหมที่จากตั้งพรหมวิหารไว้ในใจพรหมวิหารเนี่ย ม, มาจากมาจากการดํารีถูกเนาะมาจากการดํารีถูกมาจากสัมมาทิฏฐิไอตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเนี่ยมันมันความฉลาดคิดความดํารีถูกต้องดํารีในเนคขมมะดํารีในเมตตาดํารีในกรุณาเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการปุ๊บก็มาตั้งพรหมวิหารไว้ในใจ อันนี้ไม่ใช่ภาคปฏิบัติการภาคที่มันตั้งอยู่ในใจนะธรรมะระดับพรหมิหารเนี่ยแต่พอปฏิบัติออกกันออกต่อกันมาทางกายการรมปจีกรรมมันถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนการของสังขาวัตถุที่ปฏิบัติต่อกันเวลาปฏิบัติต่อกันปฏิบัติด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนต่อกันด้วยความกรุณาต่อกันในอีกฝ่ายหนึ่งประสบความทุกข์ความเดือดร้อนและด้ยมุทิตาต่อกันพอ ย, ยินดีตัวการส่งเสริมกันเกื้อนหนุนสนับสนุนกันทําต่อกันเต็มที่เลย อย่างเงี้ยเมื่เราจะเกี่ยวข้องกับใครที่ชั่วคราวเนี่ยเราก็ทําภาวะความชั่วคราวของความเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสามีเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเกื้อหนุนทําเต็มที่เลยที่มีเวลาในการทําต่อกันเต็มที่ทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องเดินจากมานั่งเช็คดูตัวเราเองเราทําเต็มที่แล้วในฐานะในฐานะที่เราได้เข้าใจกระบวนการแต่ลพวกเราเนี่ย มันก็มีสุดจิตกรรมและทุตจิตกรรมต่างหาที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแรงต่างถาวรจริงๆเป็นเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงเป็นทายาทที่แท้จริงเเป็นเป็นเหตุของสุขและทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยมันก็ตามติดกระแสชีวิตเราไปที่ถ้าปรารถนาโอเคคนคนนี้เกี่ยวข้องกันเป็นสามีภรรยาคนนี้เป็นลูกเราปรารถนา ที่จะไปร่วมกุศลด้วยกันทุกอัตภาพเหมือนน ก, กุลปิตานกกุลมาตาแล้วก็มาดูว่าพระเจ้าว่ายังไงพระเจ้าว่าศรัทธาสมาตาศีลสมมาตาจาคาสมาตาสุตตาสมต า, ต า, มตาปัญญาสมตามีมีศรัทธาที่ได้ดุจยาภาพกัน มีศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยก็ตั้งเหมือนกันแล้วก็ตั้งอัตยาศัยว่าเอาเนอะฉันโอเคกับคุณแนละ้วฉันโอเคกับลูกนะลูกก็โอเคกับพ่อเราปรารถนาไหมปรารถนาที่แม้ไปในอัตภาพหน้าก็ไปเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ตายายายกันแต่ต้องสร้างเหตุนะลูกนะนี่เป็นแล้วเหตุที่จะไปด้วยกันเนะี่ยมันไม่ใช่แม่ไก่แม่ไก่อ่ะ มีไข่อยู่แปดฟองแม่ไก่เนี่ยไม่กกไข่หรอกมันนอนอยู่ข้างนอกแล้วก็ขอให้ไก่ขอให้ลูกไก่เจาะกระป๋อไข่ออกมาใช้จะงอยเล็บเจาะออกมาใช้ใช้ใช้ใชใชขาใ ช, ใ ช, ใช้ใช้เล็บเนี่ยเจาะออกมาต่อให้อธิษฐานแทบตายพูดแทบตายมันก็ไม่ออกแต่ถ้าแม่ไก่ฉลาดมันก็เข้าไปกกตั้งเจตนาว่าเราจะให้ไก่มันออก ใช่ไหมถึงถึงไม่ไม่ต้องบ่นเพ้อหรอกขอใมันออกมาออกมาขอใลูกไก่เนี่ยใช้จะงอยปากเจาะเปลือกไข่ออกมาใช้ใช้กรงเล็บกรงเท้าเนี่ยฉีกเปลือกไข่ออกมาแต่ได้รับความอดอุ่นได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็เจาะออกมานี่เหมือนกันถ้าปรารถนาจะไปเดินกุศลร่วมกันในทุกอัตภาพที่เกิดหนูก็ต้องสร้างพ่อมีสมพ่อมีศรัทธาในพรารธนาใจหนูก็จะมีศรัทธาในพรารธนาใจ พ่อมีศีลสมาทานศีลแม่มีศีลสมาทานศีลทั้งจารีศีลทำถูกต้องปฏิบัติต่อกันถูกว่าเรตสีลงดเว้นจากการฆ่าการลักหรือทำได้ถูกแม้วันพระวันสิบห้าควันแปดค่ำก็สมาทานบวชสตรศีลหรือศีลแปดก็ว่ากันไปท้าจะทำมีจาคะ ม, มีจาระก็คือมีจิตใจที่สละนะ สละนอกสละในเนี่ยสมดุลกันสมรตากันแล้วก็มีสุตตะคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อการที่จะดําเนินกระแสชีวิตให้ให้ดําเนินเกี่ยวข้องกันเพื่อจะเป็นไปในอัตภาพหน้าได้แล้วก็ปัญญารู้เข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมเข้าใจว่ากายสุจจริตวจีสุจริตมโนสุจจริตไม่ตีเตียนพระเยเจ้าเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุตติโลกสวรรค์ กายทุจริตวจีทุจริตเมโนทุจริตตีเตียนพระเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายว่ากายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบานในโลกมันมันเข้าใจกระบวนการเหตุกระบวนการผลเี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้แล้วก็เต็มใจที่ทํำพราะเลือกแล้วเลือกแล้วว่าคุณจะไปเกิดในในในภพใดๆต่างๆเราก็ไปด้วยกันจนกว่าจะเป็นปัจจัยกับการพ้นจากวัฏจุกเออนี่ยเขาเรียกวางแผนใช่ไหมเหมือนกับวางแผนทําธุรกิจในปัจจุบันก็อันเดียวกันะเนี่ย ตรงเนี้ยถ้าถ้ารู้แล้วเข้าใจอย่างเนี้มันจะกระบวนการของชีวิตมันจะเดินได้แต่ถ้าไม่เข้าใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้แต่อยากอะ่ะได้แต่หวังอะ่ะหวังอะ่ะแต่เหตุคนละเรื่องกันเลยที่ทํามันไม่ไปนะพอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้กระแสะชีวิตเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไปเป็นลูกใครก็ได้ไปเป็นภรรยาใครก็ได้ไปเป็นสามีใครก็ได้ไม่เกี่ยวขอให้เรา เราไปอย่างเงี้ยเราจะเจริญกุศลของเราไปอย่างไม่มีอย่ามีหลักของเราไปอย่างเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับใครก็เกี่ยวข้องกันไปนะจนกว่าเราจะพ้นทุกมีกลุ่มหนึ่งก็คิดแบบนี้มันก็มีคนคิดสองโทนสองสองลักษณะลักษณะว่าเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆขอให้เจอคนที่เราเจริญกุศลเป็นคนดีแล้วก็เกี่ยวข้องไปเรื่อยๆแต่เป้าหมายเราพ้นทุกนั่นกลุ่มหนึ่งจนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกมาเขาจะ ตั้งหลักกันไหมคุยกันจนโอเคตกลงกันแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วน่าเบื่อเกินใช่ไหมเขาก็ตั้งหลักถ้าไม่เจอกันก็ขอพฤชพมจรย์ไปก็แล้วกันสมมุติเงี้ยถ้าเจอกันแล้วไปเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันไปถ้าอย่างนักวุลปิตาเนี่นักุลมีมาตาเนี่ยขอให้เกี่ยวข้องกันไปเลยก่อนหน้านั้นเน่ยพันห้าร้อยชาติเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาด้วย เคยเป็นแม่พระเจ้ามาเนี่ยเป็นพ่อพุระเจ้าเป็นแม่พระเจ้าห้าร้อยชาติเป็นป้าเป็นลุงห้าร้อยชาติเป็นเป็นน้าเป็นอ า, น อ, าอีกห้าร้ยชาติเนี่ยพันห้าร้อยชาติเกียวกองเจอพระเจ้านี่เรียกลูกเลยคุ้นเคยขนาดนั้นพระเจ้าแย้มประโอดเลยพระเจ้าต้องโปรดด้วยนะเนี่ยโอ้โหชําระท้องให้พระเจ้าเคยมาเกิดตั้งห้าร้อยชาติพระบริษัตวมาใส่ท้องเกิดขนาดนั้นท่านไม่ทิ้งหรอ แลก็ได้บรรลู ก, กันทั้งคู่จริงๆลากพุทธเจ้ามานักุลปิตานะักปุนณะมันตาเป็นต้นแล้วมีอีกหลายคนนะที่เกี่ยวข้องพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแล้วเคยเป็นแม่พุทธเจ้ามาั้งห้าร้อัอพรมาก็มีนะมีหลายคู่นึงในวระดชวิตกเนี่ยเราก็ไปสังเกตดูที่ว่านี่นี่กรณีอย่างเนี้เขาเขาเขาตั้งหลักเป็นเราจะตั้งก็ได้แมในพระศาสนามีหลักวิธีการเดินอีกเยอะหรือบอกว่าเอาละ ต้องการจยากปิดเกมเร็วๆไม่อยากยืดเยื้อก็ได้หรืวอว่าเออวัดตานี่ยมันเป็นของร้อนนะมันเป็นของร้อนถ้าเราไปเล่นอะไรกับมันมากๆหน่อยเดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมาบางทีก็เป็นองคาพยพบเลยสังเกตุไหมก็ศึกษากันแล้วก็เรียนรูก้กันก็บอกความจริงกันแบบเนี้ยรู้ความจริงลูกเนี่ยวตดมันเป็นอย่างเนี้ยพวกเราทําองานทําการมีธุรกิจ กิจการต่างๆเหล่านี้ยเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้อย่างเนี้ยในขณะเดียวกันก็คือว่าแต่ชีวิตของพวกเราเบื้องหน้าแต่ตายพวกายแตกเนี่ยมันจะเข้าถึงสุคติก็ได้เข้าถึงทุกคติก็ได้อา้าวเราจะทํำยังไงเราจะดําเนินชีวิตยังไงจุดหมายของเราต้องชัดจุดหมายคือพ้นทุกข์ต้องชัดใช่ไหมจุดหมายแต่ว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยมันพบเจอเจออะไรก็ต้องมีสติปัญญาในการที่แก้ไขปัญหาให้ชัดเจนอย่างเนี้ย ถ้ามันคุยกันจนสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจมันดําเนินชีวิตได้มันดําเนินชีวิตได้โดยชนิดที่เออมันบรรเบาใจถ้าอย่างนั้นมันก็อยู่กันยังไม่ค่อยรู้กันใช่ไหมไม่ค่อยรู้กั น, นก็เอาแต่ประโยชน์ถ้าประโยชน์ในปัจจุบันก็มีทิ่ฐาทัพมิกถาประโยชน์ใช่ไหมก็คือหนึ่งอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น ด้ความขยันด้วยความหมั่นเพียรอย่างอามเงือต่างน้ํำเลยทําการทั้งหลายเลยนี่สองอรักษสมัมปทาก็คือมีทราบมาก็รู้จักในการจะปกป้องยังไงป้องกันยังไงออป้องกันยังไงไม่ให้โดนยึดป้องกันยังไงน้ําท่วมไฟไหมป้องกันยังไงโจรป้นป้องกันยังไงที่ทายาทไม่ดีจะมาผานมีหลักการนี่ประการที่3การยานามิตรตาการยานามิตรตาคืออะไรล่ะรู้จักเลือกการยานามิตรดูว่า กัลยาณมิตรเนี่ยท่านผู้นี้มีศรัทธาในพระราตนตรัยท่านผู้นี้มีศีลท่านผู้นี้มีสุตตะท่านผู้นี้มีจาระมีปัญญาเข้าไปหาเขาเราจะได้ไปศึกษาแบบอย่างเยี่ยงอย่างของกัลยาณมิตรเพื่อที่เขามีศรัทธาในพระราตนตรัยเป็นยังไงที่เขาดําเนินกระแสชีวิตเนี่ยตามจารีศีลวาลีตศีลได้อย่างถูกต้องเป็นยังไงที่เขามีสุตตะข้อมูลสั่งสมข้อมูลของพระราตนตรัยที่จะเป็น ทางเป็นข้อมูลในการดําเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลักของมัะชิมาปริบทติายังไงเขามีจาคะคือการสละข้าสึกในใจได้สละวัตถุข้างนอกไม่พ อ, อกิเลสภายในเขาก็ไม่เขาก็มีมีปัญญาที่รู้อมีการสละได้ถูกต้องแล้วเขามีปัญญาปัญญามีสองส่วนว่าเขาพัฒนาเป็นขนาดถึงมิตรนิจรณปัญญามีปัญญาที่อยู่เหนือเหนือทรัพย์เหนือกิเลส ไม่ใช่มีปัญญารับใช้กิเลสในเยื่อหนงเนคนทุกวันเนี่ยมีปัญญาจริงแต่ปัญญาไปรับใช้กิเลสยอมให้กิเลสคอยคอนโทรลเอากันยะปัญญาไปตอบสนองความโลภเอาปัญญาไปตอบสนองความโกรธเอาปัญญาไปตอบสนองความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัย <iam S 2> ใช่ไหมเอาปัญญาไปตอบสนองความโลภก็คืออยากได้อะไรนนเองคิดไรเก่งผิดก็เอาอะไรก็เอาปัญญาก็ตอบสนองรับใช้ปัญญาไปตอบสนองความโกรธไม่พอใจใครก็เล่นงานคนนั้นได้ กักกันคนนั้นต่า ง, งหลายวินาีอะนี้แต่เราไม่คนที่พัฒนาเป็นนิสสณปัญญาก็คือปัญญาอยู่เหนือกิเลสจัดการกิเลสซะเลยเมีทรัพย์มีเพื่อนมีเกียรติยศเอาสิ่งเหล่านี้มาทํามาเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแกการทําประโยชน์ได้ซะเลยคอนโทรเอาให้ทําประโยชน์ได้ยังไงให้เป็นประโยชน์ในการที่จะดําพากระแสชีวิตไปได้ถูกต้องอย่างนี้ก็เรื่อมีนิสสณปัญญาใช่ไหมแล้วก็ไปศึกษาแบบอยา่าง ไปศึกษาแบบอย่างของกัลยาณมิตรแบบนี้คนที่เขาสามารถเขาสามารถมีศรัทธาที่มั่นคงในพระาราตนทศนได้จริงคนที่เขาเดินกุศลศีลได้จริงคนก็มีสุตตะมีจาคะได้จริงและคนที่เขามีปัญญาที่เขาให้ครบหากัลยาณมิตรแบบนี้แล้วก็สมาชีวิตาก็คือใช้ชีวิตที่เหมาะที่เหมาะเหมาะก็คือว่าออหลักการใช้ชีวิตในเรื่องของการ ใช้สอยทรัพย์เป็นต้นหลักการวางความพอดีต่อการเป็นอยู่ของชีวิตนะว่ารายรับเท่าไรรายจ่ายเท่าไร่การบริหารจัดการเท่าไหรการดําเนินชีวิตยังไงเป็นต้นเนี่ยนี่ความใช้ชีวิตที่เหมาะสมและนี่ไหมอุทานสัมปทาอุทานสัมปทาต่อไปก็เอ อ, อ น, นี่เครื่ทิฏาธรรมิกถาถ้าสัมปรายิกถาก็ประโยชน์ที่เลยตาเห็นไอตรงเนี้ยขวัขวายที่พึ่งตัวเดี ศรัทธาที่เราไปได้มาจากกัลยาณมิตรที่ไหนมีพุทธเจ้าเป็นต้นเราเนี่ยศรัทธาศีลสุตะจาค้าพัญญาต้องมีนี่ฝึกเป้าหมายของเราคือปรมัถประโยชน์ไอ้ตรงเนี้ยก็คือชี้เห็นว่าไอ้คาว่าชั่วคราวที่พูดมาสักครู่นี้เนี่ยที่เรามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยนี่เป็นเพื่อนชั่วคราวใช่ไหมแต่เวลาเรามาอยู่ด้วยกันปุ๊บโอ้เราขวนขวายเดินกุศลกันนี่ประโยชน์ที่ได้คือตรงนี้ ปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็เรารู้กันอยู่ว่าพวกเราในชั่วคราวก็ไม่ต่างอะไรกับมีลูกแต่ในขณะเดียวกันเวลาเกี่ยวข้องกันก็เดินกุศลกันเต็มที่เลยปฏิบัติต่อกันถูกต้องเลยถ้าอย่างนี้ดีไหมเนี่ยเดินกุศลเพราะในที่สุดจริงๆเราก็จะมีอสุจริตกรรมที่เราปฏิบัติต่อกันนี่แหละเป็นเพื่อนแท้ตามเราไป และถ้าเราปฏิบัติผิดต่อกันทำบาปต่อกันเราก็จะมีไอบาปนี่เป็นเพื่อนแท้ตามเบียดเบียนเราอีกต่อไปดูสิเนะี่ยเราไปเกี่ยวข้องอะไรก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเนะียแม้ปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าไ ป, ปบริสัทิผิดเราก็ได้ทษจริต จ, จากสิ่งที่ไม่มีชีวิต <c oughs> เช่นเราไปมีบ้านไม่ใช่เช่นอยู่กับบ้านแต่เราไปหงุดหงิดไปกโกรธไปทำบาปกับเพราะไอมีบ้านนี่แหละ โอโหไปมุมไหนก็ไปทำบาปมุนนะมุมนั้นมุมนั้นมุมนั้นมีจุดทําบาปเต็มไปหมดเนี่ยดูสิเนี่ยไอ้ทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ชั่วคราวยช่ไหมบ้านเนี่ยแต่ทุจริตที่เราได้บ้านมาด้วยไปเกี่ยวข้องกับบ้านมันได้การเป็นทรัพย์ถาวรมันกลายเป็นมันกลายเป็นมันเป็นทรัพย์ถาวรของเราซะนี่ไอ้ทุจริตที่เราได้ได้เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้มันตามเราไปเฉยเลยไอ้บ้านนี้ชั่วคราว แต่ทุจริตกรรมที่เราอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราไปทําสุดเราได้สุจริตกรรมได้กายสุจริตได้วาจาสุจริตได้มโนสุจริตจากการอยู่บ้านหลังนี้ไอ้สุจริตก็ตามกลายเป็นทรัพย์ที่ถาวรแล้วไปใช่ไหมเออเนี่ยเงินทองแก้วแหวนรัตนชาติเป็นของชั่วคราวแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเงินแหวนทองแก้วแหวนทั้งหลายด้วยสุจริตหรือทุจริตรไอ้ตัวเนี้ยเป็นทรัพย์ถาวรติดตัวเราไป นเป็นอย่างงี้และที่ผ่านมาก็เนี่ยเราไม่เคยรู้มุมแบบเนี้ยเราก็เอาทุจริตติดเรามาเยอะเลยแล้วมันจะตามเบียดเบียนเราเลยนะแต่เนี้ยเนี่ยไม่รู้เนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ยไม่รู้ไปคดคู่ อ, อยู่ในโรูดีไหมก็ <c oughs> ไม่ดีงั้นต้องรู้ใช่ไหมถูกภาคบังคับก็คือต้องรู้ต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ย ก, ก็ดําเนินกระแสชีวิตไม่ถูกอีกมองอ๋องยังแั่เนี้ยนินเข้าใจไหม อ๋อปฏิจจเออดีแล้วนี่แหละก็คือพูดให้ก็ปรารบให้พวกเราได้ไ ด, ได้เกิดความเข้าใจะนั้นตรงนี้ก็เวลาเวลาที่เรายังกระแสชีวิตเรายังดำเนินไปได้อยู่เนี้ยช่วงเนี้ยเป็นสิ่งดีที่ควรจะคนไข้กัน